เรื่องภิกษุณีใช้บาทใส่ทารกสมัยนั้นหญิงคนหนึ่งเป็นแม่ไม้ผัวร้างได้มีคันกับชายชุกนางทำแท้งแล้วใช้ภิกษุณีผู้ที่ตนอุปถัมภ์ว่า แม่เจ้าท่านโปรดใช้บาทใส่ทารกนี้ไปพิกษุณีวางทารกในบาทแล้วใช้สังคาติปิดเดินไปสมัยนั้นภิกษุผู้เที่ยวบินทบาทรูปหนึ่งตั้งใจสมาทานว่าเรายังไม่ให้อาหารที่ได้มาแก่ภิกษุหรือภิกษุณีก่อนแล้วจะไม่ยอมฉันลำดับนั้น ภิกษุนั้นได้พบภิกษุณีรูปนั้นจึงกล่าวว่าน้องหญิงเชิญท่านรับอาหารเถิดนางปฏิเสธว่าอย่าเลยพระคุณเจ้าแม้ครั้งที่สองภิกษุรูปนั้นก็ยังกล่าวกับภิกษุณีนั้นดังนี้ว่าน้องหญิงเชิญท่านรับอาหารเถิดนางปฏิเสธว่า ยาเลยพระคุณเจ้าแม้ครั้งที่สามภิกษุรูปนั้นก็ยังกล่าวกับภิกษุณีนั้นดังนี้ว่าน้องหญิงเชิญท่านรับอาหารเถิดนางปฏิเสธว่ายาเลยพระคุณเจ้าภิกษุนั้นบอกว่าอาตมาตั้งใจสมาทานว่า ยังไม่ให้อาหารที่ได้มาแก่ภิกษุหรือภิกษุณีก่อนแล้วเราจะไม่ยอมฉันเชิญท่านรับเถิดครั้งนั้นภิกษุณีนั้นถูกภิกษุนั้นรบเราจึงนำบาทออกให้ดูบอกว่าพระคุณเจ้าท่านจงดูทารกในบาทท่านอย่าบอกใครนะภิกษุจึงตำหนิประนาม พลทนาว่าชะไหนภิกษุณีใช้บาทใส่ทารกนำออกไปเล่าแล้วนำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษต่างตำหนิประนามพลทนาว่าชะไหนภิกษุณีใช้บาทใส่ทารรกนำออกไปเล่า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 แล้วให้นำบาดออกสแสดง